แต่ว่าเราก็มีวิธีการที่จะเอาชนะบทิีละนิดก็คือมองในแง่ของการที่ว่าเราได้ตกเป็นทาสของวัตฏสงสารมาเนี่ยนับชาติไม่ท่วนนั่นหมายความว่าเราลบแพ้มาตลอดแต่มาเที่ยวนี้เราลองมาต่อกอกันดูว่า ซึ่งใช่สติปัญญาเต็มความสามารถที่มีมีทั้งหมดเนี่ยว่าเราจะเอาตัวแรกเอาชนะลูกน้องของมานก่อนคือสู้ของทัพพญามารลูกน้องของมันมีก็ห้าตัวนะตัวแรกเจอแล้วใช่ไหมเป็นไงลิศเหมือนนะอตัวแรกนี่คือความขี้เกียจความขี้เกียจความเคยสบายเคยไปสบายเคยนั่งสบายเคยกินสบายเคยเล่นสบายทีนี้พอ เมื่อไปจากนั้นปั๊บนี่มันเป็นเรื่องทันดีเลยใช่ไหมันจะต้านทันทีเลยเห็นฤทธิ์มันอย่างน่ะตัวนี้คือเคยกินสบายสบายไปสบายมาสบายพูดสบายเล่นสบายเนี่ยตัวนี้ไม่สบายนะ้วทุกอย่างตีกลับหมดอันนี้คือเราจะต้องอออาจารย์วิชิตเอามาก่อนเลยวิชิตวิชิตมาก่อนได้ก็อันเนี้ยกองทัพอันที่หนึ่งขี้นี่แค่ลูกน้องมันนะไม่ใช่เจ้านายมันนะ แล้ยว่าเสีนามานมีอยู่ห้าตัวตัวที่หนึ่งก็คือว่ามีความรักสบายถ้าไม่ทําอะไรอย่างสบายแล้วมันก็จะดิ้นขนาดหนักเลยจิตของเรานะแล้วก็จะเห็นดิ้นมันทีนี้วิธีการก็คือไม่อยากจะให้ความมามตัวนี้เข้ามาคืออย่าอย่าทําอะไรอภินลนะการเอาชนะวิธีตัวนี้ท่านใช้คําว่าสุภนิมิตเป็นเหตุให้เกิดตัว กามฉันทะคือความเพลินความเพลินนี่เป็นกามฉันทะอ่อนๆอันใช้คำว่านันทิก่อนที่จะเท่านันทิคือความเพลินก็จะมาเป็นอ่าความรักสนุกราคะแล้วก็ความอยากให้ความสนุกเพิ่เพนเพิ่มขึ้นเยอะๆเป็นกามฉันทะตัวที่สามก่อนที่จะเป็นตัวอ่าได้แล้วอยู่บ้านนี่จะทำอะไรสนุกตามอารมณ์เงื่อไหระ จะเล่นใจกินใจเที่ยวจะดูทีวีดูนั่งฟังเพลงดูละครดูหนังสืออะไรกันจะตอบสนองได้ทีเรียกว่ากามาฉันทะแต่ก่อนที่จะถึงตัวนั้นมันใช้คําว่านันทีคือเพลินอ่านันทีตัวนี้นั้นอันนี้ลูกน้องของลูกน้องยังไม่ใช่โดยตรงนะลูกน้องขอ ง, องของมานลูกน้องของลูกน้องของลูกน้องขมารันทีดีนะไม่ใช่ลูกนอ้องโดยตรงนะลูกนอ้องโดยตรงคือกามาฉันทะลูกน้องของลูกน้องมันคือนันทีความเพลิดเพลิน สนุสนาเรื่องอยู่เรื่องคินเรื่องเล่นเรื่องไปเรื่องมาได้พูดได้เล่นจูๆมาอยู่จึ้งเนี่ยมันก็จะต้านเต็มที่เหมือนกันทีนี้เราจะเชนะมันได้ไหมไม่ใช่ลูกน้องมานะลูกน้องลูกน้องเข้ามาในทีหนึ่งถ้าเรายังสู้ไม่ได้ก็เรื่องว่าต้องต้องมาสร้างพลังพูดแล้วทีนี้พลังพุทธพลังตัวรู้รเร็วก็ได้ชางช้าก็ช่างให้ไวอย่าให้มันได้เข้านะทีนี้พอเรา ที่ที่มันน่ากลัวคือคนทําอย่างต่อเนื่องมานกลัวอย่างมันความต่อเนื่องมันมีช่องว่างเข้าถ้าคนไหนหยู่หยุดทำๆแล้วเข้าเลยแต่ถ้ามันต่อเนื่องไปทําท่าทะนงโงาอัดเลยนะอย่าไปทำหดทอหองเหี่ยวไม่ได้ทํำท่าขึงหังตั้งใจขึงกังห้ยใจลึกๆสง่าพาวเผยขึงหูขึงใจเซมันนี่ะปหางมุหย่อนใจหย่อนเซมันไม่ได้มันตบทันทีเลยนะต้องดูตั้งใจอันนี้ก็มากองกองทัพพยามันก็จะ เกิดการขยานนะคือพยายามมองมาตรงๆอย่ามองแบบอ้อมๆคือหมายว่พยาพยามารเนี่ยมันมันกลัวที่ตาเราถ้ามองตา ม, มาตรงๆนี่นะมันโหดแต่ทำท่าจะตา อ, อน อ, อนๆเดี๋ยวตกหลังป๊บเลยไปเลยแบบนั้นเปันหาจังหวะอยู่แล้วในนันทีความเพลินตัวที่สอง่อมาเมื่อมันไม่ได้เพลินไม่ได้สมอยากมันส่งลกน้องตัวที่สองมาเลย งุงน่นหิดนะหืดอัดนะหัดเครื่องมีไหมเริ่มมาแล้วใช่ไหมเริ่มมาอ่อนๆงุง่นหิดเอื้อยเคืองแล้วงุง่นหิดไปงุง่นหินมาทำอะไรไม่ได้ง่วงเหงาเศร้ซึมซบเลยซบเศร้าเลยทำไงดีว่ามาแล้วทีนี้ก็วางแผนที่จะกลับบ้านไม่ไหวห้าวันนี้ เอ uh, ตัวนี้มันจะวางแผนทันทีนะ <c oughs> เดี๋ยวโทรไปหาแม่บ้านของมัมารับหน่อยเบอกว่าลูกไม่สบายก็แล้วกันจะหาเหตุผลให้หลวงพนะ่อหน่อยว่าบอกว่ากลับบ้านโวนลูกผมไม่สบาย <c oughs> ตัวนี้ก็จะวางแผนสอนแผ น, นทันทีเลยนะมีอยู่ทเทนเนสีโยมคนหนึ่งแค่มาได้สักสงวันก็ไม่ไหวนะก็เลยวางแผนโทรไปหาสามีที่เธอโทรกลับมาหน่อยนะว่ากลับว่า อคุณไม่สบายแล้วมาสบายด่วนแล้วแม่แม่บ้านต้องรีบกลับว่นงั้นนะถาว่างแผนพอจะไปจับเรื่องสับเอ๊ะเราเราไม่ซื่อสัตย์ตัวเองหรือเปล่ามันพูดเข้าไปทันนะ เ, เราทั้งใจว่าจะมาปฏิบัติท่าวันทาไมแค่นี้เราเราหลอกตัวเองได้ขนาด น, ะนี้เกิดสลดใจทันทีเขาเรียกว่พูดมาทันมนันทําำไงจะดึงไปเกือบเกือบเข้ า, ขาเข้าล็อกเขาว่างเลยพูดมาทันปั๊บมันเกิด ความคิดนี้ขึ้นมา <c oughs> แกรายงานว่างานนั้นถ้าฉันเทรศัพท์ไปจะไม่มีวันนี้เลยคุณมริษาไงที่มาให้ทำอะเราที่นี่มอบางคนได้เข้านะมริษาเห็นดิ่งมาจากเทนเนัีน่าจะเห็นว่าเล้เหลี่ยมเขาแหลมคมมากนะแต่ทีนี้พอมันงุดหิดมันหงุนห้นหิมันเบื่อในสุบินซุปเศรก็จะง่วงทีนีง่วง มีไหมง่วงมีบ้างไหมมีแล้วบีบตาแดงเลย <c oughs> ก็มานแสดงมาคบแกผูกตัวเลยใช่อหมอง่วงแล้วก็ง่งวงเราไม่ไม่ได้ง่วงไม่ได้รับสมชัยก็ฟุ้งที่เนี่ยฟุ้งซ่านคิดเรื่องนะั้นเรื่อง น, องนี้เรื่องนี้เข้ามาวันนี้นึกนิวร์มาวัยเนีดูท่านเนาะมาวัพอง่วงฟุ้งซ่านได้แล้วหลังเละหาวันนี้ไหวไหมเนี่ยคิดหนักลแล้วยนั่งสร้างจังหวะนี้จะไปหยุดได้เมื่อไหร่เนี่ยนานไหมเนี่ย เออคีนทุบทวนไปโทุบทวนมานี่เขเรียกห้าตัวเนี่ยมันมาตัวไหนมาก่อนถ้าคนไหนเป็นคนชอบเพลินชอบสนุกอตัวที่หนึ่งเขจะมาก่อนคนไหนขี้โมโหขี้งงง่ายตัวที่สี่ก็มาก่อนคนไหนชอบรับชอบนอนประจำตัวที่สามมาก่อนอือันนี้เขาจะแล้วแต่แต่ละคนมาไม่เหมือนกันนะเพร่ะยังเราจะต้องสู้อย่างเงี้ยสามวันนะแต่หมายความว่าเราจะต้อง ต้องทําแบบตัวนี้ไม่ท้อนะมันก็มีโอกาสชนะไปแต่ละวันละวันนะชนะวันละตัวสองตัวไปเรื่อยๆจนไปถึงสามวันก็ถ้าชนะไม่ได้โบทห้าตัวมันก็จะเยือกเยอะไปที่สี่ที่ 5. ห้าเหลือมานตัวเล็กๆน้อยก็ค่อยเก็บมันไปนะแต่ไม่รู้ว่าจะเราดูมันเล็กหรือเปล่าถ้าดูมันใหญ่ตัวเราขึ้นเรื่อยๆนะไปไม่รอดเลยแล่ะนะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้านี่เป็นภาคสาธิตนะ ภาคสาที่เกี่ยวเรื่องการดุกการ น, นั่งการย่างการเดินกันไปกันมาในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายหลวงพ่อจะให้กลุ่มใหม่ขึ้นข้างบนให้ฌานเด็กวุฒิหลวก็ก่จะดูกลุ่มเก่าที่ขึ้นไปข้างบนวันนี้ปรับฐานอีกทีนึ่งต่อบทเรียนนะอันนี้ก็จะสลับกันไปครั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ศึกษาดูว่าระหว่างพุทธกับมารที่อยู่ในใจของเราเนี่ย มันจะต้องต่อสู้กันเงี่มาตลอดแล้วก็แพ้มาตลอดอ่ะตลอดไม่รู้กี่ชาติกี่กาปีกันแล้วแต่มานะวันนี้เนี่ยเรามีของดีที่จะประกาศสู้รบกับมันนะทีนี้เราจะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราทันหรือเปล่าขนาดเดการเรามีแค่มือสองมือแล้วก็เท้าสองเท้าเนี่ยเรียกว่าใส่เต็มที่เลยแต่ว่าสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด ที่ทำมาก็คือคนไหนก็ตามสร้างจังหวะรู้จังหวะหยุดจังหวะเคลื่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะไม่แยแสว่าใครจะไปใครจะมาไม่แยแสว่าวานตัวไหนไม่สนใจตัวนี้จะผ่านได้ง่ายๆอันนี้เคล็ดลับน ะ, ะเคล็ดลับแต่คนไหนสู้สู้สู้สทรมาร์เอาบ้องเอาเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อ่าหูบางชอบบังไม่ชอบบางเข้าเลยอย่างนี้มันหาจังหวะอยูอ่หาจังหวะอยู่ดังนั้ น, น, นเรื่องนี้เอามาว่าเพื่อเป็น เกตประวันได้ศักดิ์ศรีของชีวิตเราสักครั้งหนึ่งนะ <c oughs> เราลองลองสู้ให้ชนะสัก ง, งานหนึ่งก็ได้งานต่อไปไม่ยากแล้วเอาชนะสัก ง, งานหนึ่งก่อนนะแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าชนะได้งานงานต่อไปนี่มันมันเริ่มเราเริ่มมีกําลังใจนะแล้วตัวไหนมามันเริ่มที่จะเห็ น, นเห็นชัดอ๋อตัวง่วงมาแล้วจะวางแผนสู้อ๋อตัวนี้ตัวเบื่อมาแล้ววางแผนสู้ เดี๋ยวนี้ฟุ้งซ่านมาแล้ววางไว้การที่ระวังแผนสู้กับตัวตัวเหล่านี้ยมันสนุกวางแผนสู้กับตัวเองแต่สู้นี้ไม่ใช่สู้เพื่อชนะนะสู้เพื่อให้รู้ทันเท่าั้เองพอรู้ทันปั๊บมันไปจบแต่การที่เราไม่รู้เท่าทันนี่แหละเราสู้ไงก็ไม่ชนะมันหรอกมันกลัวการรู้ทันโบราณเรารู้เท่าไว้ทันรู้กันรู้เท่าไว้กันรู้ทันแล้ไว้แก่ ได้รน้แน่ๆคืรู้ทั้งแก่ทั้งกานคือตัวสติสัมปชัญะมีทั้งสองส่วนนะแล้วก็จะทําให้เราได้เข้าใจเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค, คนที่มีเทคนิคในการแก้อารมณ์เหล่านี้นะโดยเฉพาะคนที่เป็นซโคโรีจะมีเทคนิควิธีเอาชนะตัวเองแต่ที่เอาชนะไม่ได้คือความคิดที่ซับซ้อนซ้อนเงินไหลายหลายระบบอันนี้คือยากความยากของมัน ดังนั้นในช่วงนี้เราไปรับประหารเสร็จแล้วก็ช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งอย่างช้าไม่เกินบ่ายโมงแล้วกลับมาได้ขอความเมตตาเอาบ่วงของมารมาใส่ตรงนี้ทุกคนนะถ้าหากว่ายังไม่มาก็จะต้องบันทึกชื่อไว้ก่อนจะไม่ได้อารมณ์นะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนะเพื่อเราจะได้ไป ตอนนี้เราจะออกไปเดินจุกขมลุ่มกันก่อนรับประทาน